เดี๋ยวนะขอเวลาหน่อยดิลินดูออกขึ้นยังว่าเราสร้างขึ้นมาเราสร้างภพขึ้นมานี่ตรวงพ่อบอกหมูกระดาษเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเองจากความไม่มีอะไรพอเราไปสร้างความเป็นตัวตนขึ้นมาเราก็แบ่งแยกนี่เรานี่เขานี่โลกข้างนอกทั้งๆ ท, ที่ดั้งเดิมนั้นมันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยแต่เราไปสร้างขอบสร้างเขตสร้างความเป็นตัวของเราขึ้นมาจากความไม่มีอะไร แล้วก็เราก็แยกตัวเองออกจากสิ่งที่แวดล้อมแยกตัวเองออกจากคนอื่นสิ่งอื่นมีตัวมีตนขึ้นมาแล้วก็รักแล้วก็ห่วงแหนพยายามทนุถนอมพยายามรักษานในความเป็นจริงพอสติปัญญาแก่กล้าเข้าไปเราก็จะเห็นเราไปสร้างความเป็นตัวตนมาจากความไม่มีอะไรสุดท้ายมันก็สลายไปสู่ความไม่มีอะไรตามสภาพเดิมของมัน เราภาวนานะจนปัญญาเราแทงทะลุลงไปตัวเราไม่มีโลกปราธาตินี้ก็เป็นแต่โลกอยู่อย่างนั้นเองคนและสัตว์อื่นก็ไม่มีหรอกนะดูอย่างนี้เรื่อยๆนะลินถ้าปัญญามันพอมันก็จะขําไปสู่ฝั่งของโล ก, กุตตะนี่จะเห็นว่าตัวเราไม่มีไม่มีทางปฏิบัติวิธีอื่นมากกว่าการที่มีสติรู้กายรู้ใจ การกำหนดการบังคับการประคับประคองอะนี่เป็นอุบายทั้งสิ้นเลยคนสมัยเมื่อ6 0ส0บสปีก่อนที่เอาอย่างวิชาที่แม่ชีเรียนเนี่ยเข้ามาเมืองไทยพระรุ่นโน้นที่เป็นลูกศิษย์ท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไปทวงไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นสมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาท่านบอกท่านทราบ แต่ว่าเป็นอุบายเพื่อว่าให้คนมีกำลังใจจะได้ปฏิบัติต่อไปนี่คนรุ่นโน้นที่ทราบว่าไม่ใช่เนี่ยเริ่มหมดไปคนรุ่นหลังคิดว่าใช่จริงๆความจริงรุ่นนี้ก็ยังมีอยู่บ้างยังเหลืออยู่บ้างที่เมืองชนนี่มีที่สีราชาก็มีมีพระองค์หนึ่งมาเล่าให้หลวงพ่อฟังเป็นมหาไปคุยกับอาจารย์ใหญ่ที่องค์นี้ที่ท่านยังเหลืออยู่เนี่ย เมื่อปีสี่สองนะท่านเล่าเองเลยบอกว่ามันไม่ใช่หรอกแต่ท่านก็สอนไปก่อนบอกว่าเหมือนคนหิวข้าวมาให้เขากินข้าวประทางชีวิตไปก่อนวันหนึ่งเขามีสติมีปัญญามีกำลังนะเขาหาทางเดินต่อไปได้คนที่รู้ว่าไม่ใช่นะก็ยังพอมีแต่ว่าเริ่มน้อยลงน้อยลงคนรุ่นหลังคิดว่าใช่จริงๆแล้วพยายามเผยแพร่กันใหญ่เลยบอกว่านี่ใช่นี่ใช่อันอื่นไม่ใช่ขึ้นมา ปัญหาไปอยู่ตรงนี้งรานการทําใดๆนะั้นที่เกินจากการมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามที่เขาเป็นสติเป็นอนัตตาสาร้างให้เกิดไม่ได้กําหนดไม่ได้เราต้องฝึกไปหัดดูสภาวะจนจิตจําสภาวะได้แม่นแล้วสติเกิดเองพอสติเกิดเองโดยที่เราไม่ได้จงใจให้เกิดหรือเราไม่ได้สร้างพบใดๆขึ้นมาเราก็เห็นกายอย่างที่เขาเป็นเห็นจิตใจอย่างที่เขาเป็นจริงๆ เขาเป็นอะไรเขาเป็นความว่างเปล่าเขาไม่ใช่ตัวเราเขาไม่มีอะไรเลยเราไปสร้างความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ไปลงยึดถืออยู่อย่างนั้นเองเนี่ยดูลงไปในคองจริงนะมีสติรู้ลงไปเรื่อยรู้ลงไปปัญญามันแทงทะลุลงไปว่าตัวเราไม่มีได้ตรงนี้นะั้นได้เป็นพระโสดาบันไม่มีทางอื่นหรอกนะมีแต่มีสติรู้กายรู้ใจเนี้ย ่นอย่าไปเที่ยวกำหนดเนีย่ยเที่ยวอะไรอันนั้นแทรกแสงทั้งสิ้นเลยสติไม่ได้เกิดจากกำหนดสติเป็นความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากำหนดความระลึกได้อะไรเป็นเหตุให้สติเกิดทีราสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุ ใ, ให้เกิดสติเนี่ยในคำภีของเรามีนะแต่เราเชื่ออาจารย์มากกว่าเชื่อตำรับตำรา พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ให้เชื่อตำราหรอกแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเชื่อไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วอย่าเชื่ออาจารย์มากถ้าอาจารย์รู้ว่าไม่ใช่อย่างไม่เท่าไหรนะ่อาจารย์คิดว่าใช่น่ากลัวที่สุดเลยคนรุ่นแรกๆเขารู้ว่าไม่ใช่ไม่เป็นไรเชิญโยมเบอร์ปสบเอ็ไ้หมนั่งตามสบายยมนั่งคุยกันเล่นๆ น, นะนั่งให้สบายอ๋อ กรน้ำมันการหลวงพอ่อคือขอถือโอกาสนี้จะขอกราบลาหลวงพ่อไปบวชครับจะลาบวชน ะ, ะก็กรรมใดที่กระผมร่วงเกินหลวงพ่อไม่ว่าทางวาจากายใจตั้งเจตนาหรือไม่เจตนาก็ขอโอโหสิกรรมกับหลวงพ่อหลวงพ่อโหสิให้นะเอวังโหาตูเอวังโหาตูโยจะปุเพปมาชิตวาปัชฌาโซนัปปามัชาติโสมังโลกังปภาเสติอาภามุตโตวจัจนิมา ยาสัปปะพังคตังกัมังกุสละนะปหฮิยติโสมังโลกังปะพาเซติอาภามุตโตวจณิมาอาภิวาทนาสีลิสเนจังบุตถาปจัยิโนจัตารูธรรมาวัฑันติอายุวันโนสุขังพลังมีกำหนดศึกไหมอ่าดีบวชสมควรบวชก็บวชไปนะบวชแล้วภาวนาก็ใช้คำสอนของเราพ่อไปปฏิบัติครับ ก็ตอนนี้ก็ฟังซีดีฟังอะไรจน เ, เข้าใจแ ต, แต่ยังเหลือแต่ภาคปฏิบัติวิธีปฏิบัติเราบวชให ม, ใหม่ๆนะเราจะรุกลี้รุกลนนิดนึงรู้สึกหมายบวชได้แล้วต้องรีบเร่งความเพียรตัวนี้ให้รัวหวังนิดนึงนะครับหลวงพ่อยังเป็นเลยพอ บ, บวชได้นะช่วงเดือนแรกๆนะโอ้ยขยนันขยันจนผิดปกติขยันจนจะทั่งใจมันไม่เป็นธรรมชาติ ต่อมาก็ค่อยๆรู้ทันใจเข้าสู่สมดุลของมันเพศของพระเนี่ยเหมาะที่สุดเลยสำหรับผู้ปฏิบัติที่เข้าใจวิธีแล้วนะเข้าใจวิธีแล้วเนี่ยการเป็นพระไม่มีภาระออื่นงานหลักของเราคือการเรียนรู้ตัวเองดูกายดูใจแต่อย่าคาดหวังในหมู่คณะหมู่คณะที่เราไปอยู่ด้วยอะไรเนี่ยมันก็ปุถุช น, นกระทบกระทั่งอะไรนี่เรื่องปกติ นั้นเวลาที่เราบวชแล้วเราไม่ดูคนอื่นเราดูใจของเราอย่างเดียวแล้วก็อยู่มีความสุขอย่างเราภาวนาครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังท่านไปบวชท่านไปยันภาวนาเดินจงกรมนะเพื่อนก็หัวลอยเยอะนะลอยเยอะเย้ ย, ยถากถางอะไรนะท่านก็เอาดีของท่านจนได้ื้อเราไม่ดูคนอื่นถ้าดูคนอื่นแล้วเราจะผิดหวังพระไม่ดีจริงอย่างที่คิดหรอกสังคมของพระก็คือสังคมโลกโลกนลั่นแหละ หลวงพ่อนะดุกับพระมากจนวัดนี้แทบจะพระน้อยลงไปแล้วดุดูมากบวดทั้งทีต้องเอาดีนะดีสู้ตายให้กาลังใจสู้ด้วยสติด้วยปัญญาเอาใครจะคุยตอยแล้วที่ที่ผมปฏิบัติมาอยู่นี่ถูกทางไางครับใช้ได้นะแต่ว่าตอนนี้ประคองแรงกันนิดนึงของให้มันสบายกว่านี้เองรู้เล่นเล่ น, ลนรู้สบายๆมันง่ายคุณท่องไว้เลยนะ ถ้าวันใดที่คุณภาวนาแล้วคุณรู้สึกยากเนี่ยคุณหยุดเลยทำผิดแล้วถ้าทำถูกจังง่ายง่ายจนกระทั่งนึกไม่ถึงนะแม่ชีเนี่ยภาคเพียนแทบตายนะพอเข้าใจแล้วบอกโอ้ม่ง่ายแค่นี้เองนะง่ายจนนึกไม่ถึงนะจำไว้นะก่อนที่หลวงพ่อจะบวชนะครูบาอาจารย์ก็บอกหลวงพ่อประโมทง่ายนะง่ายท่านกลัวเราจะไปทาอะไรยุ่งเหยิงซับซ้อนขึ้นมา ที่จริงง่ายง่ายตรงไหนจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะไม่ยากไม่ใช่ว่าห้ามมีราคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องละราคะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะไม่มีรู้วไม่มีมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่มีโทสะรั้ว่าไม่มีง่ายๆ่ายืนอยู่ก็รู้สึกตัวนั่งอยู่เดินอยู่ก็รู้สึกตัวนอนอยู่ก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกอะไรรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราเดิน ไม่ใช่ตัวเรานั่งตัวเรานอนนะไม่ใช่เรายืนเห็นแต่กายกระใจนี่เขาทำงานของเขาไปเรื่อยเรื่อยรู้สึกเอารู้สึกไม่ใช่คิดรู้สึกไม่ใช่เพ่งนะรู้สึกไม่ได้บังคับไม่ได้กำหนดแค่รู้สึกรู้สึกรู้สึกนี่สำคัญมากสติแค่รู้สึกขึ้นมานะเราลึกขึ้นมารู้สึกเนี่ยใจหนีไปคิดทราบไหมหนีไปคิดรู้สึกแล้วรู้ทันว่ามันหนีไปแล้วนะฝึกไปเรื่อยในที่สุด มันจะเห็นมันทํางานทั้งวันทั้งคืนพอเราเห็นมันทํางานเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆปัญญามันจะปิ๊งขึ้นมาไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่เราเป้าหมายแรกที่ปฏิบัติต้องเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเพราะนั้นดูลงไปเรื่อยๆจนเห็นมันไม่ใช่เราอย่างดินก็ดูไปใช่ไหมมันปรุงมาจากความไม่มีอะไรมันเหมือนหมูกระดาษเนี่ยมันไม่มีอะไรมันปะปะขึ้นมา มีคนช่างสังเกตคนหนึ่งมาบอกหลวงพ่อว่าหมูก็หลัดในใจนี่นะปะมาจากภายในหมูอย่างนี้ปะมาจากข้างนอก <c oughs> กลับข้างกันเราปลุงขึ้นมาเองของคนก็รู้กายรู้ใจนะดูเล่นๆดูเหมือนดูคนอื่นเห็นคนอื่นไปด้วยไม่มีส่วนได้เสียถ้าดูอย่างไม่มีส่วนได้เสียวันหนึ่งก็ปิ๊งมันไม่ใช่เราหรอก แต่ถ้าเราไปเพ่งไว้กำหนดไว้บังคับไว้ประคองไว้ควบคุมไว้เนี่ยมันจะนิ่งมันจะนิ่งแล้วเรารู้สึกเราบังคับได้แทนที่จะเห็นว่าบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาครับรู้สึกว่าเราบังคับได้กายนี้เราบังคับได้จิตเราบังคับได้อย่าเข้าใจผิดใครเชิญต่อเอาคุณน้องเอาโยมต่อไดอ้คือว่าเวลาปฏิบัติตามรูปแบบนี่คะ่ะ ได้ไปผวองกับการห้าบางทีก็ไปนึกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราไม่ต้องนึกเลยนะคะไม่ตัดออกไปเลยบางทีใจจะไปไปคิดเอง อ, อ๋อถ้าใจมันชอบคิดก็ให้มันคิดไปอย่าไปฝืนมันนะคิดไปเรื่อยว่าขันห้ามันไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์อะไรเงี้ยการคิดพิจารณาอย่างนี้นะจะได้ความสุขได้ความสงบได้สมถกรรมฐาน ไ ม, ไม่ต้องคิดอะไรใช่ไหมคะไม่ต้องไม่ต้องไปพวงถึงขันห้าเลยไม่เราเราไม่ได้อยากพวงไงจิตมันพวงเมื่อจิตมันพวงเราห้ามมันไม่ได้เพราะนี่เด็กก็เอ๊ะนี่เป็นเม้เทนานะอันนี้เป็นสังขารอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้รู้ไปอย่างนี้ก็ได้รู้ว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่ค่ ะ, คะให้รู้ทันลงไปเลยนะมันจะเลิกไปเองค่ะแต่เราห้ามมันไม่ได้ ถ้ายมไปห้ามมันกังวลเดี๋ยวจะไปหาขันห้าอีกล้วกังวลให้รู้ว่ากังวลไปเลยแล้วขันห้ามันจะปล่อยไปเองตัดตัดไปเองเราต้องรู้ขันห้านะคจนกระทั่งเห็นขันห้านี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันถึงจะตัดขันห้าออกไปแต่เราจะหนีขันห้าทําเป็นไม่รับรู้เราไปเดินจงกลมรู้แต่เท้าเดินอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่ละขันห้า ต้องรู้ขันห้านะเห็นความจริงของขันห้าแล้วถึงจะละขันห้าได้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ปฏิบัติพอพอไดได้ฝึกไปนะฝึกไปจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ฝึกอย่างนี้นะฝึกไปเรื่อยอ้าวใครจะมีอะไรเชิญนะดีใจไหม ย, ยกได้ละดีใจครับดีใจรู้ว่าดีใจขอส่งกันบ้านนะครับหลวงพ่อ ส่งแล้วยังอะส่งแล้วครับหลวงพ่อพก็ตอบเสร็จแล้วใช้ได้แล้วนะรู้สึกใช้ได้ดีแล้วใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วดูไปเรื่อยน ะ, อ, ะ อ, อีกคําถามนะหลวงพ่อที่จริงไม่ใช่คาถามก็คืออยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําเพราะว่าผมจะเดินทางไปอินเดียเ น, นปาลที่สังเวชนียสถานสี่ตำบนนะอขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนําเพื่อการไปครั้งนี้จะได้ประโยชน์สูงสุดครับผม เอาประโยชน์สูงสุดนะก็ต้องเจริญสติไม่มีอะไรดีกว่าเจริญสติสังเวชนิยสถานเนี่ยเอาไปให้คนท่านบอกว่าคนไปเห็นนะไปสักการะอะไรเนี่ยแล้วได้บุญจิตเกิดสลดสังเวชสลดสังเวชว่าอะไรว่าพระพุทธเจ้าเคยเกิดตรงนี้แต่ไม่เคยอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วท่านประกาศท่านตรัสรู้ตรงนี้ตอนนี้ท่านก็ไม่อยู่ละ ท่านประกาศ ธ, ธรรมจักที่นี่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วท่านนิพพานตรงนี้นะหายไปไหนหมดแล้วดูไปทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงทุกอย่างนี้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็อยู่ชั่วคราวทุกสิ่งยึดถืออะไรไม่ได้เลยอยากได้ประโยชน์มากๆก็ต้องไปไหว้แบบนี้นะไหว้ให้ได้ปัญญาไม่ใช่ไหว้ได้แค่ได้บุญไปกราบไปไหว้ก็ได้บุญอยู่หรอกแต่ถ้าอยากได้ประโยชน์มากกว่านั้นต้องให้ได้สติได้ปัญญามีสติรู้กายมีสติรู้ใจนะ รู้ไปเวลาใจฟุ้งซ่านขึ้นมาก็น้อมคิดพิจารณาถึงท่านท่านเคยอยู่ตอนนี้ท่านก็นิพพานไปแล้วอะไรเงี้สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาดูมุมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะถึงจะได้ประโยชน์เยอะลาพังไปไหว้ก็เท่านั้นแหละคนมาชวนหลวงพ่อเรื่อยนะชวนหลวงพ่อไปไหว้สังเวชนียสถานบอไปกราบพระพุทธเจ้าไปสู่แดนพุทธภูมิรู้จักพุทธภูมิไหม พุทธภูมิอยู่ที่ไหนนั่นไม่รู้จักพุทธภูมิจริงอะไรคือพุทธภูมิละ่ะคือจิตนั่นเองคือพุทธะนะให้เราเรียนรู้ลงให้ถึงจิตถึงใจเราจะพบพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนะเราไปกราบสังเวชนียสถานเพื่อให้ใจมันสลดสังเวชในธรรมนะชื่อถึงเป็นสังเวชนียสถานที่พึงสังเวชไปแล้วไม่ใช่ว่าปราบรืมคล้มอกคลืมใจได้บุญเยอะนะ ไม่มีความสลดสังเวชนะได้ไดไประโยชน์ไม่เยอะเท่าไหร่ไปแล้วดูสิพระพุทธเจ้าเคยอยู่มยิ่งใหญ่ขนาดไหนวันนี้ก็ไม่มีทุกสิ่งในโลกนี้ชั่วคราวตัวเราเองผู้มาไหว้ตรงนี้ต่อไปก็หายไปคนอื่นซึ่งเคยมาไหว้ที่นี่มากมายไกลกอนตอนนี้ก็หายไปแล้วดูทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับทุกสิ่งเกิดแล้วดับอย่างนี้เรียกว่าไปดูเราสังเวชนะ <c oughs> ไ, ปไปใหม่นะจิรัต ไปไหว้สังเวชนะไปรับปลื้มนะกูได้บุญเยอะอ้ใครจะต่อเชิญคุณน้องกลับมรสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเห็นว่ารูปเป็นก้อนธาตุกลมงกลวงแล้วก็มีนามเป็นท่าตรู้ที่ว่างแล้วก็มีก้อนอะไรก้อนหนึ่งอะ่ะ ที่ตัวนี้จะมีอำนาจสั่งอยู่ตลอด<ม>แล้วก็มีน้ำหนัก<ม>แล้วจะเห็นว่ารูปเนี่ยจะเป็นรูปที่เปล่าๆข้างในกรวง<ม>พอมีก้อนนี้ใส่เข้าไปเนี่ยรูปนี้ก็จะเปลี่ยน<ม>รูปทรงสันฐาน<ม>แล้วแต่จะเป็นอะไร<ม>เสร็จแล้วก็ก้อนนี้จะครอบงำนา ม, ม แล้วก็จะแสดงกฎบาทขึ้นมาจากนั้นมันก็จะเกิดเกิดพฤติกรรมต่างๆขึ้นมาทําให้ชีวิตเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารต่อไปตอนนี้ขณะที่นั่งเห็นเนี่ยมันบอกว่าตราดใดที่วิชานั่งแทน่นวิชาไม่สามารถทํางานได้ ม, มันจะแยกออกไปต่างหากเลยแล้วก็มันจะสั่งสั่งสั่งจนกระทั่ง มันเบื่อมันเสร็จแล้วมันดิ้นที่ว่าไม่มีใครรับคำสั่งมันแล้วมันก็สะบัดหน้าไปเลยเ อ, อให้รู้มันหน้าตัวนั้นแหละคือตัวอวิชชาตันหาอุปาทานทั้งหลายมันปลุงขึ้นมาจากความไม่มีอะไรมีรูปธรรมนามธรรมขึ้นมาแต่ประกอบด้วยความไม่รู้กิเลสตันหาก็ทางานขึ้นมาสั่งงานฉะนั้นแต่ละคนนี้ถูกสั่งตลอดเวลา เดี๋ยวสั่งให้ดูสั่งให้ฟังสั่งให้คิดสั่งให้ทําโน้นสั่งให้ทํานี้สั่งให้ยืนเดินนั่งนอนมีแต่ถูกสั่งกายนี้เป็นถ้าพระเจ้าบอกเป็นครูหารู้สึกไหมมีเปลือกกลวงใช่ค่ ะ, ะ ม, มันมีแต่เปลือกข้างนอกซึ่งทีแรกไม่ได้เป็นรูปทรงอะไรด้วยซ้ำแล้วข้างในกลวงอข้างในกลวงจิตไปสําคัญมั่นหมายขึ้นมานจริงมันเป็นก้อนธาตุไม่เป็นรูปทรงอะไรหรอกจิตมันไปนสําคัญมั่นหมายขึ้นมา กายนี้เป็นครูหาให้จิตอาศัยอยู่นะจิตนี้ก็เที่ยวไปรวดเร็วด้วยวิ่งไปวิ่งมาให้เรารู้ลงไปนะรู้ลงไปทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีดูอย่างนี้เรื่อยๆไอ้ ก, ก้อนนั้นที่ผลักดันกิเลสตัณหาที่ผลักดันขึ้นมาสั่งให้ทํางานนั้นก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขารู้สึกไหมในกายในใจนี้ไม่มีตัวเราเนะี่ยดูลงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจนวันหนึ่งใจมันปิ๊งขึ้นมามันยอมรับความจริงตัวเราไม่มี ต, ตอนนี้ยังยอมรับไม่ได้ยังอยากมีอยู่ทั้งๆ ท, ที่เห็นแล้วว่ามันไม่มีแต่ใจมันยังไม่ยอมต้องดูไปอีกดูจนยอมดีแล้วอนะภาวนาน่าฟังไหมไม่ชีเห็นไหมก็ส่งกันบ้านแต่ละคนเห็นไหมมวยยกเท้าย่างเท้าไม่ได้กินหรอกนะ <c oughs> ให้รู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจนะรู้สึกไปเรื่อยเรื่เห็นมันไม่ใช่ตัวเราไปเรื่อยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เรา ดูมันไปเรื่อยแต่ไม่ใช่คิดเอาเป็นความรู้สึกนะรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจรู้สึกด้วยสติกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกนี่รู้สึกด้วยสตนะิเสร็จแล้วรู้ด้วยปัญญาตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่เราร่างกายที่เคลื่อนไหวมันไม่ใช่เราจิตที่ทำงานอยู่ก็ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีดูอย่างนี้เรื่อยๆดูจนพอเขาพอนะเขาก็ตัดสินความรู้ของเขาเอง จิตใจก็เหมือนมันกินข้าวนะเราพามันเจริญสติคล้ายๆร่างปลายกินข้าวเรากินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็อิ่มจิตใจนี้เหมือนกันเราเจริญสติไปเรื่อยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งมันก็อิ่มเหมือนกันมันอิ่มมันพอนะมันตัดสินความรู้นะตัดสินความรู้เราจะข้ามฟากข้ามจากฝั่งโลกียะไปฝั่งโลกุตละอ้าวเชิญจูนยกมือไว้ยกเยอะๆคนอื่นไม่เห็นจน เคยฟังซีดีหลวงพ่อคะ่ะจึนจะถามเป็นคาถามที่เนื่องจากมีคนมาถาม น, นะคะว่าออตอนจึงเคยฟังหลวงพ่อบอกว่าถ้าเริ่มภาวนาแรกๆเนี่ยเวลาดูกายดูใจดูกายดูจิตนี่ก็คือรู้ตามแต่พอสติเริ่มเกิดเองอัตโนมัติเนี่รู้กายนีย่รู้ตรงแล้วรู้จิตนี่รู้ตามทีนี้ตรงนี้เนี่ยจะใช้จุดไหนเป็นจุดที่ สมมติภาวนาไปเองแล้วรู้ว่าตรงนี้เนี่ยพอรู้กายเนี่ยมันไม่ใช่รู้ตามแล เ, เป็นรู้ตรงแล้สติมันลรลึกขึ้นได้นะนะเพราะฉะั้นเราฝึกทีแรกเราฝึกตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรมตามรู้ทั้งหมดเลยท่านถึงใช้คําว่ากายานุปัสสนาการตามเห็นกายเนืองเนืองเวทนานุปัสสนาตามเห็นเวทนาเนืองเนืองจิตตานุปัสสนาตามเห็นจิตเนืองเนืองธรรมานุปัสสนาตามเห็นสภาวะธรรมเนืองเงตามเห็นทั้งหมดเลย เมื่อตามเห็นไปเรื่อยจิตมันเห็นบ่อยๆมันจําสภาวะแม่นสติจะเกิดขึ้นเองนะต่อไปพอ ร, รูปเคลื่อนไหวสติจ ะ, ะระลึกได้แล้วตรงที่สติะระลึกรู้รูปที่เคลื่อนไหวเนีจะรู้ลงปัจจุบันนะอันนั้นคือเป็นเองมันจะมันเป็นเองมันจะพลิกเองใช่ไหมอ่มันจะเป็นเองสติ จ, จะรู้รูปลงปัจจุบันแล้วก็ตามรู้นามต่อไปเพราะว่าเหมือนในความเข้าใจ ม่วนจะรู้สึกว่ารู้รูปนี่ตรู้ตามรู้รูปนี่เรื่องรู้ตรงรู้ตรงตลอดแต่จริงๆคือหมาคํามว่าตอนขึ้นต้นนต้องนตามเเเหห็นไไปพพืื่่อออะรใ้จจิตสภของรูปได้ม่จิตานเอง เมื่อสติเกิดขึ้นเองจิตจะตั้งมั่นเกิดสัมมาสมาธิขึ้นเองพอจิตมีสัมมาสมาธิขึ้นมาปุ๊บ ม, มันจะเห็นรูปที่กำลังปรากฏอยู่เนี้ยไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทนะีเพราะฉะนั้นเห็นรูปไม่ใช่ตัวเรานี่เห็นทันทีเลยที่มีความรู้สึกตัวขึ้นมาใจตั้งมั่นขึ้นมานะมันเป็นขั้นเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานมีสองขั้นขั้นที่หนึ่งตามรู้กายเวทนาจิตธรรมเพื่อให้เกิดสติขั้นที่สอง รู้กายที่เป็นปัจจุบันแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรา น, ะนี่ให้เกิดปัญญาตามรู้เวทนาจิตธรรมไปเวทนารู้ลงปัจจุบันได้นะก็ยังเห็นได้อยู่เพราะอะไรเพราะเวทนาไม่ใช่อากุศลนี่อย่างมันปวดขาอยู่แล้วก็ืะลึกรู้อยู่ว่ายังปวดอยู่หมายถึงเวทนาทางกายใช่ไหมทางก า, งางยถ้าเป็นเวทนาทางจิตก็ทางจิตเราอย่างเรามีความสุขอยู่เรารู้อยู่ความสุขก็ยังไม่ได้ดับไปไม่จาเป็นต้องดับ ตัวอกุศลท่างหากที่ดับไปอกูศลน่าจะดับทันทีที่สติเกิดถ้าเป็นอุเบกขาเวทนาทางใจเวทนาอะไรอะไรก็รู้ได้ก็คือมันก็จะมันก็จะถ้าเป็นอุเบกขาก็รู้แล้วไม่หลับเหมือนกันใช่ไหมไม่เห็นต้อง<ม>ดั บ, ดบเลยเพราะเวทนาไม่ใช่อากูสนนี่ที่สติ เ, เกิดแล้วมันจะต้องดับแต่โทมานัตเวทนาจะดับทันทีเพราะโทมานัตเวทนานเนี้ยเกิดร่วมกับอกุศนลจิตเท่านั้นอ๋อค่ะก็ตอนนี้จน เริ่มทําสมาธตอนเช้าเพิ่มวันละ20นาที30นาทีแล้วก็จุนก็เห็นว่าช่วงที่คือจุนนั่งดูสภาวะไปเรื่อยๆแล้วช่วงที่เขาเห็นสภาวะที่เขาจดจําได้แล้วจิตลงสมถธิช่วงขณะหนึ่งเนี่ยมันแผ่วมากมันแต่เราเห็นความแตกต่างว่าเมื่อกี้นี้หลงไปแล้วตอนนี้มีสติอยู่มันก็เห็นชัดขึ้นแต่จุนเห็นเลยว่ามันมันแผ่วมันไม่แบบมันไม่จุดพลุเปี่ยงป้างเหมือนตอนที่รู้แล้วกันแล้วนั้นหัดใหม่ๆ อ่านใหม่ๆมันรุนแรงพอสติเกิดไปอยๆมันนุ่มนวล น, นะมันรู้ตัวนิ่มๆไม่รุนแรงหรอกแล้วพอพอสติเกิดมันตั้งมั่นแจ่มชัดอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีความเข้าไปจัดการเข้าไปยึดเหมือนผู้จัดการมาแล้วแล้วก็จะเห็นเบลอลงไปออแล้วก็สักพักเดี๋ยวก็ตามลงไปไ<ห>เรื่อยๆเดี๋ยวก็จะขึ้นมาใหม่ เ, <อ>เป็นระยะๆแล้วจเจ<อ>มันช่วงนี้มันถ้าทําสมาธแบบนี้มัน มันง่ายขึ้นแล้วก็มันก็ <ทำ S 1> ติดไปค<น>าอค่ะทําบ้างสมถะจริงๆทิ้งไม่ได้แต่ที่หลวงพ่อบางคนบอกให้หยุดไว้ก่อนนะเพราะติดสมถะต้องแก้ก่อนนะพอแก้แล้วหัดเจริญสติได้แล้วทํำวิปัสสนาเป็นแล้วเนี่ยยังไงก็ทิ้งสมถะไม่ได้มีประโยชน์ ก็มาทําช่วงเช้าแล้วจะได้ผลดีขึ้นเพราะว่าพอไประหว่างวันเนี่ยพอมีอะไรมากระทบปุ๊บจูนจะเห็นเลยว่าจิตมันเริ่มเคลื่อน<ม>เคลื่อนเคลื่อ น, เ, อน<ม>เริ่มเห็ น, นะคะเนี่ยตอนนี้จูนเป็นหมูกระดาษดูออกไหมค่ะไม่เห็นค่ะทือๆอยู <Sweden> ่รู้สึกไหมทื่อค่ะเห็นว่าว ม, ออมันไม่เบิกบาน่ะคะ <Welsh> ตัวปลอมนะเมื่อกี้เบิกบานกว่านี้นี่ตัวปลอมวางใหม่แล้วหายรักใหม่อีกไม่อยากวางนั่นส่งไปข้างหลังการรัศการค่ะหลวงพ่อก็ คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะใช้ได้ใช้ได้อยากให้หลวงพ่อตรวจเคะ่ะว่าใช้ดได้ถูกต้องเลยเห็นไหมวินยูชนรู้ด้วยตัวเองแต่หลวงพ่อแคะอยู่นานเลยนะกว่าจะหลุดออกมาถึงตรงเนี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะใช้เวลาเท่าไหร่เป็นปีเลยเป็นปีคะ่ะหลวงพ่อเป็นปีเพราะว่าติดของเก่านะ ตอนนี้หลุดออกมาแล้วหนูก็ก็ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่อย่าประคองนะตอนนี้แอบประคองนิดๆมันกําลังปีติค่ะขนลุกอยู่ค่ะตอนนี้เออไปกดมันให้มีปิติไปให้ขนลุกไปไม่ต้องห้ามมันแล้วเราก็ตามรู้ไปตามรู้ไปนะเห็นไหมกายไม่ใช่เราเห็นแล้วเห็นไหมเห็นไม่เวทนาไม่ใช่เราเห็นไหมสังขารที่เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่เราเห็นอยู่แล้วคุณหมอเห็นหมดแล้วค่ะเห็นไหมจิตเดี๋ยวก็เกิดที่ตาเดี๋ยวเกิดที่หูเดี๋ยวเกิดที่ใจ เห็นหมดแล้วใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่หนูใช้ประเมินตัวเองก็คือว่าเวลามีความทุกข์แรงๆขึ้นมานะคะอื<ม>บางทีเราก็ยึดอยู่กับมันสักสองวันนะคะ<ม>ต้องยอมรับว่าบางทีเป็นวันเหมือนกัน<ม>แต่หนูจะใช้วิธีว่าขอแยกจากสิ่งที่ที่มันเรากระทบกระทบแล้วก็เรารู้สึกว่าเราพูดกับคนนี้เรารู้สึกโกรธเราก็ขอแยกตัวก่อนออขอขอดูจิตดูใจเคลียร์ตัวเองนิดนึงแล้วค่อยไปคบกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยางงาได้ <laughs> สู้ไม่ได้ก็ถอยใช่ค่ะใช่ค่ะการถอยนะว่าหนูรู้สึกว่าดีกว่าเป็นวิธีต่อสู้อย่างหนึ่งนะการถอยไม่ใช่ว่าไม่ไม่สู้อย่างทหารเนี่ยเวลาเรียนการสงครามนะต้องเรียนวิธีถอยด้วยนะไม่ใช่ถอยสุมสี่สมห้าถูกเข้าฆ่าตายหมดดีถอยแบบฉลาดใช้ได้ละค่ะขอบคุณค่ะว่าไงจย์หน่องพอาจารย์ครับครั้งก่อนที่พระอาจารย์บอกว่าผมปัญญาล้ำนานนะครับผมก็เลย ลองไปพิจารณาดูว่าเอ๊ะที่ว่าปัญญารําหน้ามันรํายังไงผมก็เลยลองเอาว่าพิจารณาว่าจิตนี้ไม่เที่ยงนะจิตนี้ไม่เที่ยงนะั้นแล้วก็ตามดูไปปรากฏว่าพอเราไปคิดนำว่าจิตไม่เที่ยงนะครับตัวสติมันทื่อลงมาเลยผมก็เลยรู้ว่าอ๋อที่มันรําไปคือมันมันก้าวไปไงตัวที่ตามหลังมามันมันไม่ได้ไปด้วยมันก็เลยทื่อเลยก็เลยเข้าใจว่าปัญญารําคือก็คื อ, อฟุ้งซ่านนั่นแหละลองลอ ง, องลดไม่์ลงนิดนึงเสียงเรามันดัง ก็คือก็เคยเลยรู้ว่าไอ้ที่ปัญญาล้าหน้าก็คือฟุ้งซ่านนั่นแหละใช่มันฟุ้งซ่านเลยแล้วสติที่ตามมามันก็ทื่อลงมาเลยไม่ใช่สติจริงหรอกไม่ใช่สติจริงครับ <c oughs> ดูเหมือนเหมือนแต่ไม่ใช่ครับ <c oughs> ไม่ใช่ครับ <c oughs> อ่าหมอตุลชา น, นี้จิตมีโมหะมีความสุขรู้ว่ามีความสุขวันนี้จิตมีโมหะค่ะแต่ว่าจิตเป็นกลางมากขึ้นค่ะ แล้วก็ข่าวก่อนที่บอกหลวงพ่อว่าจิตมันเห็นทุกข์มันดูไม่ค่อยไหวมันไม่ค่อยเป็นกลางเสร็จแล้วหนูก็เลยไปเหมือนสอนสอนมานิดหน่อยให้มันไปดูมุมที่เป็นไม่ใช่ตัวเองอะคะ่ะ ม, มันก็เลยเป็นกลางมากขึ้นใช่ได้นะการสอนมันเป็นอุบาย <c oughs> เป็นอุบายอย่างหนึ่งใช้ได้เมื่อจําเป็นแต่อย่าสอนทั้งวันเรวเหมือนเราสอนเด็กเราถ้าเราสอนเด็กทั้งวันนั่นเด็กยิ่งไม่เชื่อเลย <c oughs> นานๆสอนทีเมื่อจําเป็น ส่วนใหญ่หนูไม่ค่อยได้ทําสมาธิเป็นรูปแบบอะค่ะหลวงพ่อแต่มาช่วงนี้เนี่ยคือใช้แบบเหมือนเป็นออกกําลังกายแล้วรู้สึกว่ามันมันเหมือนจิตมันตั้งมั่นได้มากขึ้นอันนี้ต้องต้องลดหรือต้องเพิ่มอะไไม่<ล>ไม่ต้องลดนะออกกําลังกายไปก็ทำอย่างที่ทำแล้วก็<ำ>ดูจิตดูใจเรื่อยๆเพิ่นส่งกันบ้านที่เมื่อกี้คุณหน่องอรายงานที่หลวงพ่อบอกว่าสติมันไม่ใช่ของจริงอย่างนี้ยเราจะ แยกมันได้ยังไงอะคะโอ้ยอย่าสงสัยเลยสงสัยรู้ลงปัจจุบันไปน ะ, ะเราภาวนามาถึงตรงนี้แล้วเราไม่ค้นคว้าแบบนั้นละรู้เลยอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ลูกเดียวจะได้ไม่เนิ่นช้าเพราสภาวธรรมนะมีจํานวนมากสภาวธรรมถ้าเราเรียนจะเรียนให้ครบนะมีสภาวธรรมทั้งเจ็ดบสองอย่างเนี่ยนี่สภาวธรรมเจ็ดสิบสองเรียนกันไม่จบหรอกคล้ายๆเจ็ดสิบสองกระบวนท่า เราเรียนท่าไม้ตายไย ม, มีสติรู้ลงปัจจุบันไปของเปิ้นอยู่กับล่องอร่อยขึ้นเลยใช่ไห ม, อมตอนนี้ใจมันกว้างๆไปรู้สึกไหมใจมันกระจัดกระจายนะไม่ถึงฐานมันให้รู้ทันแค่นั้นพอละอย่าดึงนะอาใครต่อไปเชิญอ่ะนี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณเบอร์9 2เดี๋ยวเดี๋ยวยกมือนะเดี๋ยวคือตามรู้ตามดูครับ คราวนี้กราฟการระลึรกรู้จากเช้าไปบ่ายมันจะลงตอนเช้าก็จะรู้ได้บ่อยมากแล้วตอนบ่ายตอนเย็นเย็นทำงานเรื่องงานนี่ก็จะเหลือไม่กี่ครั้งต่อชั่วโมงอะไรเรารเวลาเราทํางานมากๆเราก็ไปรู้กายเราดูจิตไม่ไหวแล้วมันหมดเรี่ยวหมดแรงรขับรถกลับบ้านก็รู้สึกไปนะเหลียวซ้ายแล ก, กว่าคอยรู้สึกไปเอากายมาช่วยครับเวลาทําในรูปแบบตอนเช้าก็จะรู้สึกว่าได้ดีกว่าตอนเย็นนะครับ ด้วยเหมือนกันแล้วก็ทำตอนไหนที่เหมาะเราก็ทำตอนนั้นแหละตอนเย็นเราก็พักผ่อนเอนาะฟังซีดีหลวงพ่อไปพักผ่อนหลวงพ่อมีคำแนะนำอะไรเพิ่มัหมครับแนะนะแล้วไปทำหน้าทำอย่าไปประคองนะปล่อยให้สบายสบายจำไว้น่าต้องสบายถ้าภาวนาแล้วเครียดเครียดแสดงว่าทำผิด ถ้าดูจิตตอนไหนดูจิตไม่ได้อย่าไปฝืนดูดูจิตไม่ได้ให้ดูกายไว้เห<ม>็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นมันเดี่ยวซ้ายแลกว่าตอนไหนดูกายก็ไม่ได้ก็ทําสมถะทําสมถะทาอะไรไม่เป็นนะก็สวดมนต์ไว้ก็ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆก็เป็นการทําสมถะอย่างหนึ่ง<ม>คิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆคิดถึงธรรมะคิดถึงครูบาอาจารย์หรือคิดถึงคุณงามความดีที่เราทําแล้วอะไรพวกนี้ นนี่เป็ ส, รสกราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะเพิ่งจะมากราบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าได้ฟังซีดีของหลวงพ่อเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะก็เลยอยากจะมาส่งการบ้านบ้างตอนนี้ก็จิตตืนต่นเต้นมากมากะคะ่ะ <laughs> ก็จริงๆแล้วปกติเนี่ยธรรมดาถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าตัวเองเนี่ยหลงบ่อยแล้วก็จะ บางวันเนี่ยก็จะจับได้ถ้ า, ถ, าถ้าจับอารมณ์โกรธหรืออารมณ์แรงหนักๆเนี่ยก็จะรู้เลยว่าจับไม่ทันก็จะโกรธแล้วก็เออโอเคงั้นฉันจะมองเธอว่าเธอจะโกรธเนี่ไหนอ่<ก>อห<า>ันไปหันไปแวบนึ่นนง อ, อ้าวหายไปแล้วนั่นมันดูเป็นเห็นไหมค่ะ <c oughs> เออไม่ใช่พอความโกรธเกิดขึ้นมานะเกลียด <c oughs> มันอยากให้มันหายมันไม่หายหรอกต้องใจถึงถึงไหนดูซิเธอจะโกรธได้นานสักแค่ไหนหายวับเลย แต่บางครั้งก็จะจับอารมณ์ไม่ทันนะคะก็จะมีมีมัวทุกวันบางวันก็จะดูจสดใสดูเห็น <ๆ S 1> ดูแจ้งนนั่นแหละมันไมมม่่่่เเททีียยงงันไค่ะแล้วก็บางวันก็จะไม่เห็นบางวันก็มัวบางวันก็ตัดได้บันก็ตัดไม่ได้เ อ, อก็อย่างนั้นแหละจริงๆแล้ววันนี้อยากจะจะถามหลวงพ่อด้วยค่ะว่าไม่ทราบว่าจิตแท้ตื่นหรือ ย, ยังแต่ว่าตอนนี้รู้แต่ ว, ว่าตื่นเต้นมากๆไม่ทราบหลวงพ่อจะเห็นหรือเปล่าเห็นเห็น เราไปทราบจิตตั้งมั่นบ้างมากเอางี้หลวงพ่อให้กันบ้านคุยให้น้อยลงนะคุยเท่าที่จำเป็นเวลาเราคุยแล้วเราจะอินง่ายแต่ช่แชๆแเราเพลินไปช่างคุยไหมไม่ค่ะไม่ช่างคุยนะเออดีแล้วจะรบควนถามหลวงพ่อเรือเดี้ยค่ะก็คือว่าจะอยู่บ้านจะปฏิบัติในรูปแบบตอนเช้ากับตอนเย็นนั่งสมาธินะคะทีนี้ เ, เวลาที่นั่งสมาธิเนี่ยจะเหมือนกับว่าจะหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าก่อนนะคะเป็น<ม>ทาอาณาปนาสติ<ม>นะคะแต่ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยจับลมหายใจอยู่แล้วก็ดูอารมณ์ไปด้วยในขณะเดีวยวกันหลงแล้วรู้สึกไหมค่ะเอายิ่งหลวงพ่อจะเฉลยให้คุณรู้สึกตัวเป็นแล้วน ะ, ะแต่ว่ามันมันหลงง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องคลุกคลีน้อยๆช่วงแรกยุ่งกับคนอื่นน้อยๆน่อ แล้วก็คอยรู้สึกตัวเนี่ยทำใจรู้สึกไปสบายๆแข็งไปไม่ได้นะถ้ารู้สบายๆทานีทนี้นิดนึงกันค่ะพอดีว่าจิตเนี่ยบางทีก็อยู่ที่ลมหายใจดูไปบางทีก็วิ่งมาที่ตาเพราะวิ่งมาที่ตาปุ๊บเนี่ยค่ะวิ่งมาบ่อยๆจะเห็นแสงวูปว่าบ้างค่ะเราก็ทําให้รู้สึกว่าตัวเองหลงไปกับแสงว่าก็พยายามที่จะจับมันจับไม่เอาสิหลงก็รู้ว่าหลงไม่ต้องไปพยายามทําอะไรค่ะแต่ว่า จิตจะอยู่ที่ตาอยู่ตรงนั้นตลอดเลยค่ะไม่ไปไหนเลยค่ะ ไ, ไม่จริงห น, นอกยอย่างตอนนี้ไปคิดแล้วเห็นไหมเนี่ยดูสิจิตอยู่ที่ตาเดี๋ยวว่าจิตไปคิดจิตไปอยู่ที่หูไปตั้งใจฟังแล้วก็หนีไปคิดหมมีคิดสลับไปเรื่อยๆรื่ะให้รู้ทันจิตไปคิดให้รู้ทัน เ, เฉพาะตอนที่นั่งสมาธิานะคะตอนที่จิตอยู่ที่ตาก็ให้ะหระวังขวดตานะ จะเห็นแสงวูบว่าบตลอดเลยค่ะหลวงพ่อใจมันจะสงบนะมันยังสงบไม่เต็มที okay ่เห็นแสงวูบวบบ้าบ้เราไม่ไปดูที่แสงนั้นค่ะนะให้ให้รู้ความรู้สึกของเราไปให้รู้ความรู้สึกแล้วก็มาดูก็ปล่อยเันไปไม่จำเป็นปล่อยมันไปจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันไอแสงวูบว่าบมันมาหลอกเราให้ใจแกว่งเล่นเท่านั้นแหละค่ะไม่ต้องไปดูแสงนะดูใจเราค่ะหลวงพ่อ ป่าวันนี้อิจฉากี่ครั้งเยอะมากเลยครับรู้สึกว่าเขาปรุงแต่งแต่ว่าเหมือนตัวผมไม่เข้าไปแทรกแซงเข า, า, เขาเอะครับหลวงพ่อเรารู้สึกว่ามันเข้าใจว่าจิตของเราเนี่ยมันหลงไปเผลอเผลอเสร็จมันก็ไปเพ่งจับปับ๊บล้ารู้สึกไตเกียตรงที่ป้าพูดว่าจิตของเราเนี่ยนะมันอินลงไปในคำพูดนี้มันรู้สึกว่าจิตของเราเนี่ยจริงๆเลยนะอืมครับ แล้วเป็ไงอีกคือตอนนี้เนี่ยผมเริ่มเข้าใจสภาวะว่าจิตเขาจะหลงของเขาเนี่ยเขาหล ง, งเขาเข้าแล้วเขาก็จะไปไปเพ่งไปจับตัวสภาวะคือเขากลัวว่าเขาจะกลัวเขาไม่ดีใช่กลัวไม่ดีแต่พอเรารู้ทันตัวว่ากลัวเขาไม่ดีเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะถอยห่างออกมาแล้วตัวสภาวะของเขาตรงนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปครับใช่ดีแล้วถูกต้องแล้วเห็นไหมเราไม่ได้ฝึกเอาดี รเราฝึกให้เห็นความจริงนี่จิตมันทำงานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเรามันพอจะเริ่มรู้สึกเท่านั้นเ อ, อเอง น, น<ล>ะครับตัวนั้นสำคัญนะการที่เรา<ะ>เห็นว่าจิตมันทำงานได้เองไม่ใช่ตัวเราเนี่ยสำคัญมา ก, ากจะค้าความเป็นปูทุชนไปได้ก็เห็นอย่างนี้แหละดูไปเรื่อยๆมันไม่มีเรากายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เรานะดูไปบางครั้งมันอยู่ในชีวิตประจาวันมันเริ่มรู้สึกว่า มันเหมือนมีชีวิตยอยู่ไปวันวันนะครับหลวงพอมีชีวิตยอยู่ไปวันวันอย่างมีความสุขนะไม่ใช่มีชีวมามสุแมบแขึ้นแบบแนะใช่มีชีวิตยอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆนะทุกอย่างในชีวิตกายกระใจว่างเปล่าดูไปเรื่อยเอา 7, ร้ายเจเบอร์1้อเจกล่าวนมาสการค่ะเมื่อกี้ลงใช่ไหมคะลงสิ ก็จริงๆก็อยากจะกราบเรียนถามท่านว่าอาทิตย์ที่แล้วก็หลงบ่อยค่ะแล้วก็มันจะเห็นความรู้สึกว่าเป็นตัวเรามากมคือจะทำอาหารถวายพระแล้วมันก็ไปยึดติดกับไอ้ตัวนั้นนะว่าของเราของเราแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะทำไงก็ดูไปเฉยๆก็ทำอาหารถวายพระไปมันก็เห็นว่าความยึดมันก็เยอะอยู่ดีนะภาวนาเพื่อ <ไป S 1> <ๆ>ให้รู้ทันนั่นแหละ แต่เดิมก็ยึดเยอะแต่ไม่เห็นระหังตอนนี้เห็นล้แล้วเวลาบางครั้งที่มันพยายามมันแทรกแซงเองว่ามีคําพูดว่าจิตไม่ใช่เราอะไรเงี้ยค่ะก็ดูมันแทรกแซงไปเฉยๆถ้ดูมันเราอย่าไปแทรกแซงมันให้มันทํางานไปเราไม่ทํำเราแค่รู้แล้วอยากได้การบ้านบ้างค่ะนี่แค่นี้ก็เยอะแล้วนะดูไปนี้ก็ทําไม่ทันละเอาแมวยกมือได้รู้สึกแม่ชียังไม่ได้ส่งการบ้านใช่ไหม เเ อ, อลลาวดไปยตอนนี้ก็ใจมันก็รู้สึกเบิกบานดีค่ะแล้วก็มีความสงสัยเล็กน้อยค่ะว่าเวลาหัวเราะเนีย่ยค่ะเราสามารถหัวเราะอย่างรู้สึกตัวได้หรือเปล่าได้ได้ <laughs> <laughs> แต่ว่าสามารถจะหัวเราะอยากรู้สึกตัวก็ได้หรือว่าบางครั้งอาจจะไม่ไม่รู้สึกตัวก็ได้ใช่ไหมคะใช่หลงก็ได้นะ ถ้าไม่หัวเราะไม่ได้นะ <c oughs> ในตํารานะชอบพูดบอกว่าพระราหันนี่หัวเราะไม่ได้ความจริงมีจิตที่ทําให้พระราหันหัวเราะนี่นะตั้งห้าดวงเนะี่ยนี่ทําให้พระรหันหัวเราะมีจิตตั้งห้าดวงเนลยอีกนิดนึงค่ะตอนนี้บางทีจิตมันขี้เกียจคิดอยู่เรื่อยๆค่ะให้รู้ไปไป่ขี้เกียจคิดไม่ต้องไปช่วยมันคิดนะดีแล้วละให้มันเลิกซะบ้าง <c oughs> ที่ผ่านมาคิดมากเกินไปค่ะ <c oughs> ใช้ได้แล้วแมวไปส่งไปข้างหลังกับนรันมการคร่ะพระอาจารย์หนูก็ยังรู้บ้างเผลอบ้างก็ปล่อยเข้าไปนะคะแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่คือจิตเขารู้ก็คือทุกสิ่งก็ก็หายไปะคะ่ะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวเราไม่ไปแทรกแซงว่าเขาจะเป็นอะไรก็ช่างคขารู้แค่ขนะหน้าพอจะจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไร เพราะว่าบางบางครั้งมันก็เห็นไปเห็นถึงความเป็นธาตุไปเห็นถึงความรู้สึกบางทีเราก็มันรู้ขึ้นมาเองอเราไม่ได้ตั้งใจดูมันนะคะบางทีหนูก้าวขาเดินอยู่ๆตากระพริบพับๆพั บ, บ, บ, บ, บ, บเอ๊ะหนูก็ก็แค่รู้ไปแต่เราไม่แทรกแซงมันนะคะคือจิตทุกวันนี้มันก็สบายขึ้นหมายความว่าเวลาเราดูเราไม่ต้องไปดูมันละเขาจะเกิดอะไรก็ช่างเขาถ้าเราทาเราได ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอ้ย่านเทียมเลยแต่ที่รู้ก็คือทุกสิ่งก็ดับไปอืเพราะว่ามันไม่ทันเห็นอะไรเกิดขึ้นอืมไม่ทันตั้งค่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันคืออะไรอื ม, มันจะไปรู้ทางตารู้ทางหูเราก็ไม่สนใจคะ่ะแค่รู้ก็พออืคือใจมันเป็นลักษณะนี้จริงๆและจริงๆโลกก็จืดๆก็ใช้ขันติค่ะตอนนี้ค่ะดีกราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ตันท่าน ถามหนูว่าหนูรู้ได้ยังไงว่าท่านอยู่โรงพยาบาลหนูบอกว่าหนูทราบข่าวจากวัดพระอาจารย์ประโมด ท, ท่านถามว่าอาจารย์ประโมดว่าอย่างไรบ้างหนูบอกว่าอาจารย์ประโมดบอกว่าบ่ายสองเนี่ยจะไม่รับโยมแล้วนะคะให้ท่านพักผ่อนท่านบอกว่าอาจารย์ปาโมดก็มาเยี่ยมอาตมาเขาบอกว่าอาจารย์ปาโมดบอกว่าให้ให้ทา่านนหยุดรับแขกอะไรอย่างเงี้ยท่านจะทําตามคําแนะนําของพระอาจารย์นะคะ โอ้ความจริงท่านตั้งใจจะหยุดอยู่แล้วค่ะท่านบอกเดี๋ยวโยมมาตื้มหลวงพ่อนะท่านบอกเราเราเราจะทําตามคําแนะนําของอาจารย์ประโมทท่านว่าอย่างเนี้ยค่ะอ๋ะอไม่เป็นไรค่ะอขอบคุณค่ะเนี่ยที่หลวงพ่อประกาศบอกท่านเลิกแล้วนะเอทางวัดโทรมาบอกนะแต่เลิกได้ก็ดีนะเพราะว่าโยมไปแล้วบางทีใช้ท่านเกินจําเป็น ถ้าไปเรียนธรรมะจริงๆใช้เวลาไม่เยอะหรอกส่วนมากไปนั่งชมบารมีนั่งยิ้มไปยิ้มมาชวนคุยเสียเวลานะหลวงพ่อนี่ไม่ยอมเลยให้โยมมานั่งคุยเสียเวลาเพราะว่าหลวงพ่อเองตอนเรียนจากครูบาอาจารย์ก็ไม่ทําอย่างนั้นพอไปเรียนจบนะรู้เรื่องแล้วไปทําล้วคิดถึงสมัยพุทธกาลเลยพระที่ไปศึกษาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยพอฟังพระพุทธเจ้ารู้เรื่องนะท่านไล่เลยนะ โน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นภูเขาในป่านี้ถ้ำไปภาวนาวไปช่วยตัวเองไม่มานั่งแช่จุมปุ๊กอยู่กันทั้งวันทั้งคืนเสียเวลาในมรดกานีค่ะหลวงพ่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาค่ะแล้วก็ฟังหลวงพ่อแล้วก็อธิบายว่าออไอ้ความไปยึดเนี่ยนะฮะเห็นตัวความยึดชัดเจนแล้วเสร็จแล้วก็กลับไปพอกลับไปเสร็จแล้วปรากฏว่า ตอนนี้ไปดูตัวผู้รู้ผู้รู้เนี่ยดูแบบทั้งวันทั้งคืนเลยหลวงพ่อเหนื่อยมากนะคะก็รู้รู้รู้รจนกระทั่งกระพริบตาก็รู้เสร็จ แ, แล้วพอเหนื่อยมากๆก็เลยมันเข้าสมาธิเ อ, อ, อ, อเข้าแว บ, บหนึ่งออกมาเนี่ยอืก็มีรู้สึกว่าเออไตรักไงอนีนจังทุกขังกันั่ตาเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเออตัวเองเบาขึ้นนั่นแหละต้องอย่างนี้น ต้องอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่เวลาที่เรามีตัวรู้นะั้นทำงานรู้ติ้วติ้วติ้วตทั้งวันทั้งคืนนะเพราะเรามีตัวรู้เราไม่ใช่ว่าทําด้วยคณิกะสมาธิชัว่วแวบแวบรู้บ้างเผลอบ้างเราตั้งมั่นเด่นดวงรู้อยู่อย่างนั้นนะที่พักมียนเดียวคือทําสมถะค่ะนั้นเราเดินมาในแนวของสมถะยานิกก็ทำสมถะถ้าไม่ทําสมถะนะั้นจะรู้อยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละจนกระทั่งหมดเรื่องหมดแรงก็ไม่เลิกรู้ไม่มีเวลาหยุดเลยนะไม่มีหยุด ไม่มีหยุดนะเป็นเดือนเดือนก็ไม่หยุดนะหลวงพ่อเคยเป็นเหนื่อยแทบตายเสร็จแล้วต้องทําสมถะของโยมดีแล้วนะยอมดีแล้วที่ว่าไปหาท่านจันตนนนะท่านจันตันนะหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านแม้ว่า น, นึงไปเยี่ยมนะัเขินมากเลยพอโปลุ่เข้าไปปุ๊บท่านรีบบอกพระบอกคนที่อยู่ในห้องท่านาอาจารย์ตลาโม้มาอีกแป๊บเดียวก็ไปละ <c oughs> <c oughs> ยอมหุนเป็นยมอุปถากรีบโทรศัพท์ เรียกหมอเรียกพักพวกอยากเจอหลวงพ่อมาเร็วๆนะท่านอยู่ไม่เกินสิบนาทีหรอก <c oughs> มาเดี๋ยวนี้นะทิ้งทุกอย่างมานะไม่งั้นไม่ทันนะอา <c oughs> จาตัดถ้าเลยชมหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านเนี่ยห้านาทีสิบนาทีกลับแล้วไม่เหมือนลูกศิษย์ของอาจารย์ปาโมดนนะ่ะมาแล้วอยู่เป็นชั่วโมงเลยบ <c oughs> อกทีละอาจารย์มานะอยู่ห้านาทีสิบนาทีไปแล้วนั ล, วลูกศิษย์อย่าไปนั่งแช่เป็นชั่วโมงนะ <c oughs> ท่านน่ารักนะ นรัเป็นพระที่ดีอง์หนึ่งเลยใจดีด้วยตอนหลวงพ่อจะมาอยู่เมืองชนน่ะยังหาที่ไม่ได้แตนะ่ท่านบอกท่านยกที่ให้นะยกที่ให้ตั้งหลายสิบไร่แต่ที่ท่านมันไกลไปหน่อยอา้าวมีใครอีกไหมไม่มีจะได้เลิอกอา้าวไม่ฉีบการหลงกลับนมัสการเอาอย่างนี้<อ>กันนะไม่ชีบเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวเปลี่ยนฐานก่อนระหว่างเปลี่ยนฐานนะมีเวลาหนึ่งนาทีสองนาทีดูใจตัวเองไปดูใจเนะี่ยแอบไปดูจิบแล้วไม่ใช่ดูใจ <c oughs> <c oughs> ดูใจของเราไปเรื่อยๆนะการภาวนาอย่าให้เสียเวลาเห็นไหมไม่ใช่มีเวลาหนึ่งนาทีสองนาทีเอาไปโยนทิ้งเล่นหลวงพ่อไม่เคยทํานะมีเวลานาทีสองนาทีเอาละเขาเปลี่ยนฐานตอนนี้พูดไม่ได้ดูเลยไม่เสียเวลา นิดเดียวก็ไม่ให้ทิ้งนะเก็บไปเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีเวลาที่เราทิ้งครั้งละนาทีสองนาที5นาทีอะไรนี้เยอะแยะไปหมดเลยเก็บพวกนี้มารวมๆแล้วได้ผลนหนึ่งเพิ่มเป็นชั่วโมงเลยนะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าทิ้งเวลาไปเปล่าๆพยายามรู้สึกไปรู้สึกกายรู้สึกใจจิตเผลอไปก็รู้จิตไปเพ่งไว้ก็รู้นะรินใจลอยไปแล้นะงะไงโยมสบายดียังอยู่เมนปูนมา ยังอยู่เนาะจอยใจลอยไปแล้วนะพร้อมกับเพื่อนเพื่อนใจเขาไปกดไว้แล้วนะต้องปล่อยเลยปล่อยอาว่าไปไม่ชีค่ะระยะหลังนี้ก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นคือเบากายเบาใจมากขึ้นค่ะแล้วก็อยากจะกราบเรียนถามท่านค่ะว่าเวลาที่เข้าสู่สมาธ น, น, นานเป็นหลายชั่วโมง เคยปรากฏเคยปรากฏกับตัวเองว่าตอนแรกก็จะมีเวทนาแรงกล้าหลังจากนั้นก็เฝ้าสังเกตเมื่อออกจากระหว่างนั้นอาคะ่ะระหว่างนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนลมหอบเราไว้เหมือนกับอยู่ในรูปโผงที่เบาสบายแต่ก็จมดูมันแล้วออกจากสมาธิแล้วมันจะเบากายมันเบ า, ม, เบามันเหมือนกับ เราเจะลอยไม่รู้ว่ามันเกิดจอากอะไรขึ้นเละค่ะเกิดจากสมาธินั่นแหลคะคก็ให้รู้ไปนะเราพอใจให้รู้ว่าพอใจเจ้าค่ะให้รู้ทันตัวนี้น ะ, ะงันเดี๋ยวติดสมาธิลทล้วท่านเจ้าค่ะแล้วเวลาถ้าช่วงไหนที่เรานั่งสมาธิก่อนนอนบ่อยๆทุกวันมันจะถึงเวลาตื่นมันจะตื่นตามเวลานั้นเองไม่ทรว่าจิตตื่นหรือว่ามัน คือบางทีก็มีเสียงมาเตือ น, นเดี๋ยวบันทีก็ตื่นเองอาการที่มีเสียงมาเตือนมันคือจิตมันปลุกเองหรือว่าจิตมันปลุกเองนะไม่ชีตอนนี้ลดการทําในรูปแบบลงนิดหนึ่ ง, งจเจริญสติในชีวิตประจำวันให้เยอะๆทําความรู้สึกตัวให้ชัดๆมากขึ้นนะใจอนนี้มันหนีโลกข้างนอกหนีความทุกข์ข้างนอกไปอยู่ในโลกภายในออกจากสมาธิแล้วก็ยังติดค้างออกมาด้วยติดความซึมซึมออกมาด้วย S <S <S มันจะมีความสุขนะแต่มันสุขแบบเออเออไปทั้งวันอ่ะไม่ดีนะเจ้าค่ะกลับมาอยู่ในโลกให้ได้นะจิตสมาธิไปแล้วรู้สึกไหมใจมันทื่อๆไปเจ้าค่ะอย่าอย่าทําอย่างนั้นเสียเวลาทําอย่างนั้นเป็นวิธีหนีทุกข์ไม่ใช่การรู้ทุกข์ไม่ชีวันวันนึงมีภารกิจมากยุ่งกับคนมากใช่ไหมต้องช่วยสงเคราะห์คนอื่นมากมายแต่ความทุกข์ที่คนอื่นเขามาระบายใส่เราเราไปเก็บเอง เราก็หนีด้วยการไปทําสมาธิทําสมาธิแล้วเราก็หมกอยู่ข้างโลกโลกข้างนอกเนี่ยเราก็เอาสมาธิออกมาด้วยใจเราก็เออเอออยู่อย่างเงี้ยใครมาเล่าอะไรเราก็เฉยอยู่อย่างเงี้ยนะมันเป็นวิธีหนีนะให้รู้ทันว่าใจมันหนีไปละเจ้าค่ะกลับมาสู่โลกข้างนอกนี่นะจะได้ต่อสู้เดินทางต่อไปไม่งั้นจะเป็นหลบตรงนี้เป็นหลุมหลบภัยละเจ้าค่ะแล้วก็ บางขนาดจะมีความพุ่งสร้างมากพุ่งสร้างที่จิตคิดจะพุ่งไปข้างหน้าคื อ, อคืออยากจะช่วยแต่คุณธรรมไม่ถึงเนี่ยค่ะไม่มชีช่วงนี้นะควรจะถ้าปลีกตัวได้ปรีกตัวไปก่อนนะไปเดินจงกรมไปอะไรเคลื่อนไหวลดการที่ต้องทำงานคลุกคลีลงนิดนึงกำลังไม่พอ <c oughs> เหนื่อย <c oughs> มันเหนื่อยเกินไปนะค่ะเหนื่อยแล้วเราก็ไปซุกอยู่ตรงนี้นานๆเดี๋ยวเราจะแยกโลกที่เป็นจริงกับโลกที่เราสร้างขึ้นไม่ออกเจ้าค่ะต้องระวังนะเจ้าค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะอ้าคุณผู้ชายนี้คุณนั่นแหละเบอร์อะไรเบอร์สิบสองก็ช่วงนี้พยายามตามดูครับบางทีมันก็รู้สึกมีความสุขบ้างแต่บางทีมันก็ดูไม่ออกครับพี่ฝึกอยู่ดีนะดูไปเรื่อยๆใช้ได้แล้วดูไปเรื่อย ดูไม่ออกรู้ว่าดูไม่ออกเนี่ยดูออกเรียบร้อยแล้วเบอร์ห4ยกมือหน่อยคุณนี่ข้างหน้าข้างหน้าตอนนี้ไม่ทราบว่าของผมนี่เริ่มตื่นหรือยังครับ เ, เริ่มเลยนะสติเริ่มตื่นหรือยังตื่นตื่นตนดีแล้วค่อยๆฝึกไปนะรู้สึกไหมใจมันปร่งขึ้นปร่งขึ้นเดี๋ยไปกดมันนะครับอ้าไปต่อไปเบอร์ห้าบสกลาบณัมสการค่ะก็เคยฟังซีดีของ หลวงพ่อนะคะวันนี้ก็มีคําถามะคะ่ะคือว่าบางทีเนี่ยเราก็เห็นว่าเราอะมองอะไรเห็นในขณะมองทางซ้ายมองทางขวาเห็นหมดเลยแล้วก็เห็นด้วยว่าขณะมองเนี่ยเรารู้สึกอะไรแต่ทําไมพอเราทำไมเรารู้อย่างนั้นอะแต่มันไม่ดับลงล่ะคะแต่เราก็เห็นมันตลอดว่ามันอย่างนี้อย่างนี้แต่พอภาพมันจบมันก็คงจบมันก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ยัง เหมือนกับรู้สึกเป็นกังวลสงสัยในสิ่งที่เราเห็นดแบบนี้ค่ะแล้วก็รูรู้รู้ว่ากังวลไป อ, อ่าค่ะแล้วทันนี้ถ้าเกิดเรายอมที่จะถามออกไปว่าเนี่ยเราสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนที่เราสงสัยแบบนี้ค่ะแล้วเท่ากับว่าเรายอมแพ้กิเลส ต, ตัวที่เราอยากรู้หรือเปล่าคะแล้วเราเนี่ยมีสติหรือเปล่าคะมีอยู่แล้วฝึกไปหน้าที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วเราเห็นจิตทํางานตลอดเดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตาเดี๋ยววิ่งไปที่หูเดี๋ยววิ่งไปคิดใช่ไหม เราเห็นมันทำงานของมันทั้งวันทั้งคืน<า>ดีแล้วแล้วอย่างนี้ไอ้ตัวสงสัยต่างๆเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราสงสยัยแล้วเรารไม่ควรจะถามหรือว่าหยุดคืออย่างนี้เรา <ๆ S 1> ต้องรู้ก่อนว่าที่เราหัดภาวนาเนี่ยเพื่ออะไรการปฏิบัตินเนี่ยนะทำมิปรสนาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจะเป็นพระโสดาบันนั้นความสงสัยเกิดขึ้นเราก็นั่งดูไปล้วก็เห็นความสงสัยดับไป ถ้าเราไปมัวแต่คิดตามนะเราเลยไม่ได้ดูความเกิดดับเสียเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่างานหลักของเรานะคือให้เห็นทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับงานหลักอยู่ตรงนี้ไม่ใช่งานหลักที่ความฉลาดรอบรู้อะไรเลยเอาตรงนี้นะเนีบางคนไปฟังอาจารย์สุรวัตรบอกว่าสงสัยรู้ว่าสงสัยไหมอะไรเงี้ยนะฟังแล้วโมโหนะอย่าเปโมโหนะหลวงพ่อก็ใช้วิธีนั้นเหมือนกัน กิเลสทั้งหลายเนี่ยจะทำหน้าที่หลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวอย่างความสงสัยเกิดขึ้นมันจะหลอกให้เราลืมรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่ให้เราไปคิดหาคำตอบเราก็ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดไม่รู้กายไม่รู้ใจเมื่อไม่รู้กายไม่รู้ใจก็เท่ากับเราไม่ได้ทำวิปัสสนาเราไม่มีทางที่จะชนะกิเลสได้ลนะหรือเวลาความโกรธเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่ากาลังโกรธอยู่เราก็ไปคิดถึงคนที่เราโกรธ ความรักเกิดขึ้นเราไปคิดถึงคนที่เรารักเราไม่รู้ว่าความรักกําลังปรากฏอยู่เราไม่ดูของจริงที่กําลังเกิดที่ในใจเรามัวแต่หนีไปคิดตลอดเพราะฉั้นกิเลสเนี่ยมันจะหลอกให้เราไปคิดกิเลสจะหลอกให้เราลืมกายลืมใจอย่าไปหลงกลมันสินะนั้นสงสยัยรู้ว่าสงสยัยแล้วเห็นอะไรเห็นว่าความสงสัยเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีตอนนี้มีแล้วประเดี๋ยวหนึ่งก็ไม่มีทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้เรื่อยๆ ตรงนี้แหละเป็นทางรอดของเราอ่าคนนี้ยกมือน้มัสการครับขนาดตอนที่ทำความรู้อยู่ครับ อ, อยู่ดีๆก็รู้สึกอุ่นๆทั่วๆตัวครับแล้วก็เห็นเป็นก้อนอะไรสีขาวๆ ข, ข, ขึ้นมาครับแล้วก็ก็ยังยั ง, ย, ง, ย, ง, ย, งยังรู้ตามไปเรื่อยๆนะครับสักพักก็หายไปครับอย่าไปจ้องใส่มันนะ อย่าไปจ้องใส่มันดูห่างๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะดูอยู่ห่างๆดูแบบผู้ไม่มีส่วนได้เสียดูแบบคนวงนอกไปเรื่อยๆทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นนะดูเพื่อให้เห็นความจริงตัวนี้ไม่ใช่ดูเพื่อให้รู้ว่าไอ้นี่คืออะไรไอันนี้คืออะไรอะไรเงี้ยไม่จําเป็นนะครับเสียเวลาที่ฝึกอยู่ใช่ได้แล้วจิตตื่นขึ้นมาแล้วรู้ไปเรื่อยๆครับอาส่งมาข้างหน้าแม่ชีพรทำนะคุณเบอร์แปสิบช่วยรับหน่นะอยวางช่วยวางว่ะ สอาวันนี่เพิ่งจะเห็นว่าการพูดนี่เหนื่อยนะคะอืมเหนื่อยหลวงพ่อละเนื้อเหนื่อยเพิ่งเห็นคะ่ะเมื่อก่อนมันพูดมากไม่รู้สึกค่มหลวงพ่อเนี่ยไม่ชอบพูดเลยแล้วก็บางบางครั้งเวลาพูดรู้สึกเอ้ยนี่มันเพอเอนะ้อเจ้อเนาะส่วนมากเลยมันไร้สาระมากกว่าไม่พอมีสติมันรู้ทันแล้วมันพูดเอามันไม่ได้พูดเพราะว่าจําเป็นต้องพูดแล้วดีแล้วจิตสงบลงไปรู้สึกไหม ไม่ไม่ไม่ได้สังเกตเห็นแล้วค่ะได้แต่สังเกตเห็นเรื่องเรื่องที่มันรำคานเรื่องพูดนะรู้สึกไหมเวลาคุยมันเริ่มมันและใจมันกระเดิดขึ้นมาแล้รู้สึกไหมไม่เห็นค่ะยังไม่เห็นค่ะเออชักมันแล้วเอาแล้วไงคุยไปเอก็บางครั้งมันเหมือนมีตัวเตือนอยู่ข้างในนะอืรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้ดีแล้ะแต่ แต่ไม่ทราบว่ามันเป็นแบบเราท่องเอาหรือไม่หรอกคือใจเรามันคุ้นเคยที่จะปฏิบัตินะมันก็เตือนตัวเองมันก็เตือนตัวเองเนี่ยเตือนตนด้วยตัวเองดี <c oughs> คุณตรงดีนะคุณตรงใช้ได้ต้องดีลนะ <c oughs> พี่ไวยใช้ได้นะอะ <c oughs> จิรัต <c oughs> จิรัตไงจิรัต ด, ดูจิตคนอื่นไปถึงไหนละไม่มีอะไรครับก็ มัวนิดหน่อยครับือก hmm? ็มัวนิดหน่อยครับเออมัวอยู่ไหนมีคนหนึ่งนะคุณดังตรินคุณดังตรินเนี่ยบอกว่าชอบไปดูจิตพระคนไหนที่เขาว่าพระอรหันต์อะไรเงี้นะไปดูแล้วก็พบอย่างหนึ่งว่าจิตของพระเนี่ยเวลาท่านคิดอะไรขึ้นมานะัคิดออกมาจากความว่างไม่มีการสร้างอิมเมจขึ้นมาดูตัวนี้เป็นไหมของพระเลยครับเลยขอ ง, ออของผม นะดูของคนอื่นเนี่ยของพระก็ไม่ดูไม่ค่อยออกหรอกครับออืดีแล้วอย่าไปดูเลยดูของเราดีกว่าเนาะเอาตัวรอดจะปิดทีวีแล้วเออดีนะปิดได้ดีเปิดง่ายนะแต่ปิดยากที่สุดเลยก็ไม่ไม่สนใจมันอะไรเงี้ยใช่ต้องอีกนอนก็จิตรู้ก็รู้ว่าจิตมันไปรู้แต่ต้องอีกนอนนะถึงจะปิดได้แล้วเวลาเปิดนะเปิดง่าย อย่างเราเปิดตาเปิดหูนะั้นเราเห็นโน้นเห็นนี้เราได้ยินโน้นได้ยินนี้อะไรเงี้ยรู้โนอนรู้วันนี้เรารู้ทั้งวันทั้งคืนนะมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยแล้วเวลาจะปิดเนี่ปิดยากอย่างใครๆนึกถึงนะก็เถื่อนตุ้ ม, มหลวงพ่อนะเคยเคยไปร้องทุกข์กับหลวงปู่เทศเนะียบอกหลวงปู่ผมแย่แล้วจิตมันไวเกินไปใครทําอะไรเนะี่ยมันรู้มันลําบากท่านบอกว่ามันยังไม่แก่กล้า ถ้าแก่กล้าแล้วมันไม่กระเถือนเดี๋ยวไปเล่นเสียเวลานะคุณวิชามีอะไรไส่งกันบ้านไปยังที่บอกว่าดูกายเนี่ยดูลงเป็นปัจจุบันได้ดูเวทนาเป็นปัจจุบันได้มันจะมีข้อสังเกตความแตกต่างระหว่างประคองรู้ในปัจจุบันในกาย กับรู้กายในปัจจุบันถ้าประคองเมื่อไหร่ใจก็ทือๆแน่นๆมั น, นจะ<ๆ>มีความมีน้ําหนักมีน้ําหนักขึ้นมามันมีน้ําหนักสักทีถ้ารู้สักว่ารู้รจะไม่มีน้ําหนักเป็นความจงใจที่จะรู้นิดเดียวนิดเดียวก็หนักล<ด>แล้วครับดูที่ใจเรานะมีอีกไหมไม่มีเชิญกลับบ้านไปเชิญ